อ่าพักบ่ายตามที่ได้ตกลงไว้นะเราก็จะเดินนั่งไม่ไหวหรอกจะนั่งอ่ะเดี๋ยวก็เอาไม่อยู่ก็เดินเออก่อนจะเดินจะบอกอย่างนี้ร่างกายเรานี่ปกติเราก็เดินของเราอยู่แล้วแหละทำอะไรเราก็ต้องเดินแต่พระพุทธเจ้าให้เราใช้การเดินเนี่ย มาเป็นการฝึกจิตด้วยการเจริญสติเหมือนลมหายใจเมื่อเช้าปกติเราก็หายใจของเราอยู่แล้วแหละแต่พระพุทธเจ้าให้เอาการหายใจมาเป็นการฝึกจิตที่เรียกว่าฝึกจิตคือคือการฝึกนะแต่ว่าจิตจริงๆมันใช้ในชีวิตจริงทุกอย่างทีนี้ เราจะต้องฝึกเพราะถ้าไม่ฝึกมันพัฒนาไม่ได้เวลาเราใช้ในชีวิตจริงทีนี้เครื่องมือในการฝึกจิตก็คือร่างกายพระพุทธเจ้าให้ใช้ร่างกายที่เรียกว่ารูปรูปกายในการใช้ร่างกายฝึกเนี่ย สิ่งต่างๆที่มีอยู่ในร่างกายของเราอย่างของหลวงพ่อเทียนท่านใช้การเคลื่อนไหวอันนี้ก็ถูกนะไม่ใช่ผิดนะเรียกใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการฝึกจิตพระพุทธเจ้าเรียกว่าสัมปชัญญะฝึกความรู้ตัวแต่ในการเจริญสติอิริยาบถคือการยืนการเดินการนั่งการนอน การเหลียวซ้ายเหลียวขวาพระวิ้าให้ใช้เป็นเครื่องมือในการฝึกจิตทีนี้ฝึกก็ไปจากไหนฝึกก็ไปจากคลิสวิชาที่บอกมาเช้านันแหละสติยารมเดดันหังคืออยู่ในอารมณ์อันเดียวให้มั่นด้วยสติหมายความว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเดินกันเนี่ยในการเดินมันจะมีการยืน เดินมันจะมีการเท้าที่เคลื่อนไปเราก็ผูกจิตไว้ที่ไหนก็ผูกจิตไว้ที่การเคลื่อนไหวของเท้าโดยปกติเราเดินทุกวันเราเคลื่อนที่เคลื่อนไหวอยู่แล้วแหละแต่เราไม่เคยใช้จิตไปผูกที น, นี้เราก็จะใช้เวลาสี่สบห้านาทีไม่เกินหนึ่งชั่วโมงเราก็ต้องตัดความกังวลทั้งหมดของเราเออกไปให้จิตของเรามาคิดอยู่เรื่องเดียวคือเรื่องการเคลื่อนไหวของเท้า เท้าเราขยับอย่างไรจิตเรารู้รู้ตามที่เขาขยับเรื่องแรกที่จะต้องรู้ในเรื่องของการเดินก็คือรู้ยืนก่อนทีนี้ใครที่ไม่เคยดูนะจะลงทุนหน่อยวันนี้ <c oughs> ดูนะดูนะวิธีการเดินยงกรมที่ถูกต้องตามพุทธวิธี คือว่าเราจะทําอะไรเราต้องดูเจตนาลมของพระพุทธเจ้าเหมือนกับเจตนาลมรัตนมณุนนั่นแหละพอ <c oughs> ดูเจตนาลมไม่ปิดเจตนาลมของพระเจ้าเราเรียกว่าถูกดูความเป็นจริงก่อนสิ่งแรกที่เราจะเดินเราก็ต้องยืนก่อนใช่ไหมอ่ายืนร่างกายต้องแท่งตั้งอยู่อย่างนี้น้ําหนักเราจะไปวงอยู่ที่ข่าเท้าคราะะนันสิ่งแรกที่เราจะต้องรู้ไว้ได้ก่อนก็คือ รู้เท้าที่ฝ่าเท้าที่วางอยู่ที่พื้นเนี่ยรู้คืออะไรคือรู้สึกขยับเท้าเนี่ยให้มันรู้การยืนรู้สึกนี่เรายืนแล้วจิตเราก็จะอยู่พร้อมความรู้ตัวของเราตอนนี้เรารู้รู้ตัวในท่าอิริยาบถที่ยืนขยับเท้าให้จิตรู้สึกโดยปกติเวลาเรายืนโดยทั่วไปเรายืนอยู่อย่างนี้แต่จิตเราไปคิดเรื่อง อ, งองื่นเยอะแยะแต่เวลาเราฝึก เราไม่เอาเราไม่คิดองอื่นเราต้องมาคิดเรื่องร่างกายที่เป็นแผงตั้งยืนตั้งอยู่บนพื้นอย่างนี้จิตจะไปรู้สึกอยู่ที่ขัาเท้าพยายามขัดเท้าให้จิตรู้สึกไม่ต้องไปกดดันไม่ต้องไปมีเงื่อนไขเรื่องเวลาว่ามันจะทํายังไงต่อไปต่อไปข้างหน้าเป็นยังไงไม่เอาไม่มีมีแค่ว่าขณะนี้ขวาเท้าวางอยู่บนพื้นกระเบื้อจิตรู้สึกอยู่อย่างนี้เนี่เรียกว่ายืนแล้วมือเก็บให้เรียบร้อย มือเก็บมือเนี่ยเก็บไว้ข้างหน้าแล้วก็เก็บอย่างนี้อย่างเงี้ยเออเก็บอย่างนี้เก็บอย่างนี้แล้วตั้งยืนอย่างเงี้ยแล้วซ้อมซ้อมเดินเนี่ยส้นขยับขึ้นรู้สึกวางส้นลงรู้สึกขยับส้นขึ้นรู้สึกวางส้นลงรู้สึกฝุดซ้อมตั้งซ้ายและขวาขยับส้นขึ้นรู้สึกวางส้นลงรู้สึก จิตเราจะรู้อยู่กับการเคลื่อนไหวของส้นที่ขยานขึ้นที่ยกขึ้นและประว่างลงต่อไปเราก็ซ้อมก้าวไปข้างหน้าย่างไปอย่างนี้รู้สึกเหยียบลงรู้สึกยกขึ้นรู้สึกก้าวกลับมารู้สึกยกขึ้นรู้สึกย่างไปรู้สึกเหยียบลงรู้สึกสก้าวกลับมารู้สึก ยืนอย่างเงี้ยรู้สึกเห็น ไ, ไหยจิตเราก็จะไม่ไปไหนมันก็จะเกาะรู้อยู่อย่างเงี้ยทีนี้เดินต่อไปก็คือเราจะกําหนดการเดินให้ชัดเจนว่าเราสุดการเดินของเราตรงไหนสมมุติว่าเราสุดอยู่ตรงนี้ตรงนี้นะเรากําหนดชัดเจนแล้วทีนี้เราก็ชีวิตเราทั้งชีวิตอนะ น, นขนานี้ไม่เป็นใครทั้งนั้นอะมีแต่รูปเรื่องนามที่ยืนอยู่อย่างนี้ และตัวจิตที่รู้การเคลื่อนไหวของเท้าเราแค่นั้นไม่มีเวลาไม่มีเงื่อนไขใดๆแล้วสิ้นเราก็ฝึกไปอย่างนี้เริ่มตน้นยกส้นขึ้นรู้สึกย่างไปรู้สึกเหยียบลงรู้สึกพอเหยียบปับ๊บโดยสัญชาตญาณของกิเด็กบุหะที่มันบุ๋มนิสัยเรามาอยู่ในสันดานเลยเราเดินไปอย่างนี้ปับ๊บเหยียบลงตรงนี้ปับ๊บมันก็ไอ้นีสัยมาเลยใช่ไหมโดยธรรมชาติใช่ไหมมันก็มาและมาเองอย่างนี้แต่เวลาฝึกเราไม่เอา เราไม่เอาอย่างนั้นเราไม่ยอมหน้าของกิเลสเราจะชนะมันเพื่อฝึกให้เป็นสติบริบูรณ์ให้เป็นตัวสติจริงๆยกขึ้นเรารู้สึกย่างไปรู้สึกเยี่ยมลงรู้สึกับยกจิตกลับไปที่เท้าขวาเพื่อยกขึ้นรู้สึกย่างไปรู้สึกเยี่ยมลงรู้สึกยกยิตกลับไปที่เท้าซ้ายยกขึ้นรู้สึกย่างไปรู้สึกเยี่ยมลงรู้สึก ยกอิก่อไปเท้าขวายกขึ้นรู้สึกยากรู้สึกเห ย, ยลงรู้สึกนี้เอาสุดทางเดินแล้วนี้รู้การยืนต่อไปทำไงต่อมันหมุนใช่มหมุมนก็เอา ต, ตามคมเป็นจริงเลยหมุนก็รู้สึกหมุนรู้สึกรู้สึก ร, ร, รู้สึกอ่ารู้สึกการยืดยกขึ้นรู้สึกย่างไปรู้สึกเหมือนเดิมเข้าใจปะเข้าใจไหมไนะเ อ, อจิตที่รู้ในการเคลื่อนไหวของเท้าเป็นสติ ความต่อเนื่องของจิตที่รู้เป็นสมาธิเอาสติกับสมาธิไว้ก่อนแล้วก็ในระหว่างรู้เรามองเนี่ยสสบห้าถึงสี่สบห้าองศาไม่เกินนั้นถ้ามันเห็นอะไรข้างๆมันเห็นอยู่แล้วเราไม่ใส่ใจในสิ่งที่เห็นแค่เห็น เราใส่ใจมันก็จะหลุดออกจากการเคลื่อนไหวของเท้าทันทีจิตที่รู้การเคลื่อนไหวของเท้าเนี่ยจะเป็นจิตเมนเเหมือนเราขับรถเวลาเราขับรถอยู่ในเลนของเราเนี่ยเลนที่เราขับอยู่เนี่ยมันจะเป็นตัวที่เราใส่ใจเป็นหลักใช่ไหมในขณะเดียวกันเราก็เห็นข้างซ้ายข้างขวาเราก็เห็นไกลยาวเราก็เห็นแต่ไม่ใช่ประเด็นที่เราจะไปรู้เราก็ไม่ใส่ใจเรามาใส่ใจในเลนของเราใช่ป่ะเออเหมือนกัน เหมือนกันเวลาเราเดินเนี่ยเราใส่ใจในเท้าที่เคลื่อนยกขึ้นย่างไปเหยียบยกขึ้นย่างไปเหยียบยกขึ้นย่างไปเหยียบยกขึ้นย่างไปเหยียบอันอย่างอื่นเห็นเห็นเห็นเหมือนกันแต่ไม่ใส่ใจไม่ใส่ถ้าจิตมันหลุดออกไปใส่ใจเรื่องใดมากนั่นหมายความว่ามันหลุดออกจากเท้าของเราแล้วก็ทําความรู้ตัวเสยหยุดการเดินยกจิตกลับมาที่เท้าแล้วก็เริ่มความเพียรใหม่ การหยุดการเดินแล้วทําความรู้สึกตัวแล้วเริ่มตั้งความเพียรใหม่อ้นี้เป็นเรื่องดีมากถ้าเห็นว่าจิตรมมันไม่ค่อยเกาะเท้าเลยหยุดแล้วมารู้สึกการยืนทําความรู้สึกตัวแล้วก็เริ่มความเพียรใหม่เริ่มความเพียรใหม่พอเราเดินไปแล้วมันเมื่อยมือใช่ไหมรู้สึกว่ามือจะอย่างนี้เมื่อยแล้วไอ้ถ้าเราเดินไปอย่างนี้ด้วยเดินไปอย่างนี้ด้วยแล้วอยู่ๆก็เพลียนอย่างนี้ไม่ออก อันนี้เป็นอำ น, นาจของโมหะเป็นความประมาดเราก็ต้องอย่างนี้พอกไปอย่างนี้ปั๊บเดินไปนี้แล้วรู้สึกว่ามือหยุดรู้สึกที่ขาเท้ายืนจะเอามือไปไว้ข้างหลังใช่ไหมก็ไปด้วยสติมารู้สึกที่มือแล้วก็เคลื่อนมือไปช้าๆางนี้ทีนี้จับแม่นเสร็จไปอยู่ที่เท้าเตรียมพร้อมในการเดินต่อไปทําอย่างนี้ โดยไม่มีเงื่อนไขอันใดเลยแล้วจะได้ประโยชน์มากนะจิตที่รู้การเคลื่อนไหวของเท้าจะเอื้อต่อจิตที่รู้ลมหายใจกลับมาแล้วมานั่งต่อเดินที่บอกเนี่ยทำเวลาให้เป็นศูนย์ก็คือให้จิตรู้อยู่ที่เท้าของเราอย่างเดียวถ้ามันหลุดออกจากเท้าก็ให้มาอยู่ที่กายอย่าให้ไปไหนหมายความว่าตัว น, นั้นยืน เวลายืนเนี่ยจิตอยู่ที่ขวาเท้าเสร็จแล้วก็รู้สึกที่เท้ารู้สึกที่ลำตัวรู้สึกที่ตั้งแต่หนังหัวลงมาถึงขวาเท้าได้หมดทำความรู้สึกตัวให้พร้อมแล้วก็เดินก็รู้สึกที่เท้าต่อไปฝึกอย่างนี้